ใจของเรานะีมันจะไม่ไม่พอใจกับปัจจุบันมันจะไม่หยุดอยู่กับปัจจุบันอีกคิดไปถึงอนาคตเรื่อยๆหวังความสุขไปเรื่อยๆเอาเข้าจริงนะถ้าหัดภาวนาไปเรื่อยจะรู้ว่าความสุขจริงๆไม่มีหรอกในโลกมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยทุกข์มากกับทุกข์น้อย คนในโลกมันสติปัญญาไม่พอเวลาถูกน้อยก็รู้สึกว่ามีความสุขเวลาพวกเราปฏิบัตินะขัแ้แรกๆพวกเราไม่มีสมาธิพอจิตเป็เกิดสมาธิขึ้นมามันมีความสุขเรยรู้สึกว่าโอ้ปฏิบัติแล้วมีความสุขแต่พอถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ย มาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจใจรู้สึกไม่มีความทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์แตใจมันต้องเป็นอุเบกขานะใจไม่ทุกข์ด้วยจะเห็นทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะจะเป็นรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเป็นแต่ตัวทุกข์ทั้งหมดเลยแต่ใจมันจะไม่ทุกข์ด้วยนะ ถ้าหัดแรกๆบางทีเจริญปัญญาไปนะใจมันไปอินกับความทุกข์ของรูปนามใจกรู้สึกทุกข์ไปด้วยหัดมากเข้ามากเข้าเห็นว่ารูปนามมีธรรมดาเป็นทุกข์มันธรรมดาที่มันเป็นทุกข์เป็นปกติของมันใจก็เป็นอุเบกขางั้นเวลาเราหัดภาวานาใหม่ๆเราทําสมาธิขึ้นมา เรามีความสุขอยู่ๆก็ความสุขก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องของสมาธินะพอถึงขั้นเจริญปัญญาจะเห็นแต่ตัวทุกข์ทุกข์ที่แรกใจยังยอมรับไม่ได้ใจก็ปลอยทุกข์ไปกับขันนานๆไปนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราไม่สามารถหนีไปจากขันนี้ได้ขันนี้เป็นตัวทุกข์ใจก็ยอมรับขันขันเป็นอย่างนี้แหละธรรมดา เรเห็นว่าธรรมดามเป็นอย่างนี้ใจมันเป็นอุเบกขาตรงที่อุเบกขาเพราะมีปัญญานี่เป็นป ต, ตูของการบรรลุอริยมรรคถ้าหากเราทําแต่สมาธิเราไม่เดินปัญญาเลยนะไม่มีวันที่อริยมรรคจะเกิดเลยต้องเดินปัญญาแต่จะเดินปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้อง สมาธิมีสองแบบนะหลวงพ่อสอนมาแต่วันแรกเลยเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วพวกเราคิดว่าสมาธิมีแต่เรื่องทำให้จิตสงบงเราเดินปัญญาไม่ได้จริงศา ส, สนาพุทธนะพุท ธ, ธะว่าผู้รู้รู้เป็นเรื่องของการมีความรู้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิราะความสุขจากการนั่งสมาธิมันไม่แน่นอน ตัวสมาธิเองก็ไม่แน่นอนเป็นโลกีธรรมเจริญได้ก็เสื่อมได้เคยเข้าฌานได้นานๆก็เข้าไม่ได้ก็มีอย่างเทวทันะ์เข้าฌานได้มีอภิญญาสุดท้ายก็เสื่อมเคยห่อไปไดนะ้ก็ต้องให้คนถามไปเนี่ยสมาธิเป็นของที่ไม่แน่นอนเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ แต่ว่าก็ต้องมีสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิมีสองชนิดสมาธิอย่างที่หนึ่งสงบ u, อยู่ในล ม, มันเดียวเช่นเราพุโทโธพุโทโธแล้วจิตเราสงบอยู่กับพุโทโธเรารู้ลมหายใจจิตเราสงบอยู่กับลมหายใจเราดูท้องพองยุบจิตเราสงบอยู่ที่ท้องเราดูลูกแกว้วดูพระพุทธรูปดูเทียนนะจุดไฟดูไปเรื่อยจิตสงบอยู่กับลูกแก้วอยู่กับพระพุทธรูปอยู่กับเทียน อันนี้เป็นสมาธิที่ใช้ทำสมถะเพื่อพักผ่อนไม่ใช่สมาธิเพื่อการเดินปัญญาสมาธิเพื่อการเดินปัญญานะีนะพูดภาษาไทยง่ายๆกนะ็คือความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมตัวเองธรรมดาพวกเราทั้งหลายเรามีร่างกายแต่เราลืมร่างกายของตัวเองทั้งวันเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเอง อย่างเราไปพุโทโธพุโทโธนะร่างกายกเราก็ลืมไปหรือเราไปรู้ลมหายใจเราไปเพ่งไฟเพ่งพระพุทธรูปเพ่งอะไรก็ตามนะาเราไปเพ่งพระพุทธรูปนะสุดท้ายพระพุทธรูปก็เป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นมาเป็นแก้วใสใสขึ้นมานเป็นเรื่องของนิมิตปฏิภาคนิมิตนะเห็นแต่พระพุทธรูปนะร่างกายหายไปแล้วจิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเราไม่เห็นนะ สั้นสมาธิชนิดแรกเนี่ยจิตไปจดจ่ออ ย, อยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วก็ลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อลืมกายลืมใจไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาเรียนรู้ความเป็นจริงของกายของใจได้เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ต้องไม่ลืมกายลืมใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายบ่อยๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจบ่อยๆ จิตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายรู้สึกบ่อยๆถ้าเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะรู้สึกถึงกายบ่อยๆรู้สึกถึงใจบ่อยๆไม่นานเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจความจริงของร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะนั่งนานก็เมื่อยปวดในร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ไปเดินนานๆ ก็ถูกความทุกข์บีบคั้นให้ดูนะที่จริงความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดนะ่ะแต่ตอนแรกการเปลี่ยนอิทิยาบทใหม่ๆนะั้นความทุกข์ยังอ่อนอยู่เราก็รู้สึกมีความสุขพออยู่ในอิทิยาบทเดียวนานๆความทุกข์ก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นแนละสุดท้ายทนแทบไม่ไหวนั่งสมาธิแนละ้งแข้งขาจะหักนะหรือไปเดินจงกลมปวดเมื่อยไปหมดเลยใ น, ะนร่างกายนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่ง กระทั่งจะนอนก็ถูกความทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเวลานอนเราก็ปวดเมื่อยนะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาตลอดเวลานะคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพวกเราพลิกตั้ง 30-40 ครั้งนะก็มีสติอยู่นะ้าหลับอยู่ก็ยังรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่จะรู้เลยร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆหยุดประเดี๋ยวหนึ่งก็เคลื่อนไหวหยุดประเดี๋ยวหนึ่งก็เคลื่อนไหว ทำไมร่างกายเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหววิ่งหนีความทุกข์ความทุกข์ากตามมาทันทิงก็หนีไปทิ้งขยับตัวหนีไปเดี๋ยวความทุกข์ก็ตามมาทันอีก็ต้องขยับหนีไปอีกความทุกข์เหมือนหมาล่าเนื้อนะวิ่งไล่กัดเราทั้งวันเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ในกายนะเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลากระทั่งการหายใจเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ เราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์อย่างเราหายใจออกไปเรื่อยๆนะความทุกข์มันก็จะเพิ่มขึ้นสุดท้ายเราทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนอิทิยาผลของการหายใจก็ต้องมาหายใจเข้าหายใจเข้านึกว่าจะสบายหายใจเข้าไปสักพักเดียวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกล้ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกสุดท้ายก็คือเราวิ่งหนีทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนี่ตลอดเวลาเลยแต่เราวิ่งมาจนชินเราไม่รู้ว่ามันทุกข์ มันปวดมันเมื่อยเราก็ขยับตัวเลยแล้วไม่ทันรู้ว่ามันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะมันมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นเราละเลยที่จะรู้เพราะเราคุ้นเคยนะชินกับมันมากต่อวันใดเจ็บป่วยมากๆก็ดูกะดิกไม่ได้บางคนเป็นอัมาพาตปวดเมื่อยแค่ไหนนั้นก็กะดิกไม่ได้นอนไปเรื่อยนะมันเป็นแผลกดทับนะตัวเน่าไปเลยนะนั้นทุกข์มากแล้วกขยับไม่ได้ สุดท้ายร่างกายของเราก็จะทุกมากนะทุกคนถึงจุดหนึ่งมันจะทุกจนกระทั่งตายนี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเจอในวันหนึ่งข้างหน้าและร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกนะแล้วถึงวันหนึ่งนะจะชอบหรือไม่ชอบจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามความทุกจะขยี้ร่างกายนี้จนแตกสลายลงไปนี่คือความจริงในร่างกายนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเรียนรู้ความจริงของร่างกาย อย่าไปลืมมันนะรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกเรื่อยๆูของจริงเรื่อยๆไม่ได้ไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไรเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยก้อนทุกข์เป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยบางเวลาทุกข์มากบางเวลาทุกข์น้อยนะแต่ความทุกข์นี่วิ่งตามตลอดเวลาแนละ้วสุดท้ายเราหนีไม่ทันนะสุดท้ายมันจะคยี้เราตายนะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยถ้าใจเราเห็นความจริงอย่างนี้ได้นะมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ได่น่ารักน่าหวงแหน ความยึดถือในร่างกายก็จะลดลงลดลงถึงจุดหนึ่งไม่ืไม่ยึดถือในกายเมื่อเราไม่ยึดถ e. ือร no no ่างกายเนี่ยร่างกายจะแก่เราจะไม่เดือดร้อนนะใจเราจะไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บก็เจ็บอยู่ที่ร่างกายจิตใจเราไม่เดือดร้อนด้วยเพราะจิตไม่เข้าไปจับร่างกายจะตายก็เรื่องของร่างกายจิตใจไม่เดือดร้อนด้วยเพราะจิตใจไม่ได้ยึดถือร่างกายเรายึดถือสิ่งใดมากนะเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นมาก อย่างเรารักใครมากสักคนหนึ่งนะเราก็จะทุกข์เพราะคนนี้เยอะนะคนที่เราเป็นกลางๆเราไม่ได้รักไม่ได้เกลียดมาทําให้เราทุกข์ไม่ค่อยได้หรอกคนที่เรารักมากๆทําให้เราทุกข์ได้เยอะเลยนะงั้นสิ่งที่เรารักมากก็คือกายกับใจของเราเองนี่แหละรักที่สุดเลยนะมน่นําความทุกข์มาให้เราเยอะที่สุดเลยถ้าเมื่อไร่หมดความรักใคร้ยึดถือในกายในใจนะั้นมันจะนําความทุกข์เข้ามาสู่ใจเราไม่ได้ ความทุกข์จะจบลงที่ร่างกายเท่านั้นเองเป็นความทุกข์ตามธรรมชาติธรรมดาแต่ใจเราจะไม่เป็นทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบความทุกข์นะเหมือนลูกธนูท่านบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยได้รับความทุกข์ทางกายเหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่งแล้วจะตามมาด้วยความทุกข์ทางใจอย่างรวดเร็วเลยเหมือนถูกธนูดอกที่สองพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะความทุกข์เข้าได้แค่ร่างกายเท่านั้น จะเข้ามาถึงจิตใจไม่ได้เลยนะถูกก็ถูกดอกเดียวนะสบายกว่าพวกเรานไม่มีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางร่างกายเป็นปกติเป็นธรรมดาแต่พวกเราเนี่ยยึดตือร่างกายพอวันหนึ่งความทุกข์ในร่างกายเด่นชัดขึ้นมานะใจเราทุรนทุรายไปด้วยนะเพราะมันเป็นร่างกายของเราเนี่ยพอเรามาหัดดูความจริงในร่างกายมากๆ ม, ม, มีแต่ความทุกข์นะ ความยึดถือว่ามันเป็นของดีของวิเศษเป็นตัวเราของเราอะไรเนี่ยจะค่อยๆสลายตัวไปถึงจุดหนึ่งไม่ยึดถือในกายเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีจะไม่ยึดถือในกายลในด้านจิตใจเราก็มาคอยดูตลอดเวลาตลอดชีวิตเนี่ยเราพยายามหาความสุขให้กับจิตใจของเราตลอดเวลากลุ้มใจขึ้นมาก็ไปดูหนังหวังว่าจะมีความสุข ดูหนังไม่พอไปฟังเพลงนะไปร้องเพลงคาราโอเกะ ไ, ไปอย่างน้นไปอย่างนี้ไปหาของกิน อ, อร่อยไปหาของกินอร่อยนะเป็นความสุขทางร่างกายหรือเปล่าลิ้นไม่ได้มีความสุขด้วยเลยคนที่รู้รสนะคือลิ้นลิ้นไม่ได้เคยมีความสุขอะไรด้วยเลยนะต้องกระดุกกระดิก๊กกระดุกกระดิ๊กงั้นเผลอเลอถูกฟันกัดเอาเนะียอีก มันมีความสุขที่ใจมีความพอใจที่ใจเป็นสารเสพของใจนะเรื่องอย่างความอร่อยความอะไรเนี้ยไปดูของสวยของงามอะไรเนียดูเพื่ออะไรเพื่อให้สบายใจนะมันเป็นการเสพของใจนะหรือการที่เราต้องไปอยู่กับคนคนนี้เรารักคนนี้ได้อยู่กับคนนี้เราสบายใจนะบางทีลาบากกายด้วยซ้ำไปแต่ว่าสบายใจทำนะมาหากินอยู่คนเดียวก็ยังพอหากินนะ ต้องไปเลี้ยงอีกคนหนึ่งโหลำบากนะแต่มันสบายใจเราต้องการความสุขทางใจสารพัด ท, ที่จะทำนะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหาอารมณ์ต่างๆมาป้อนเข้ามาเพื่อหวังว่าจิตใจจะมีความสุขแต่พอเรามีสติมีปัญญาขึ้นมาจริงๆเราจะเห็นความสุขเนี่ยสั้นนิดเดียวความสุขในใจนะเกิดขึ้นแล้วชั่วไม่นานนะก็ดับไปกระทั่งความทุกข์ทางใจ เกิดขึ้นนะถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่นานมันก็ผ่านไปความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความดีในจิตใจที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงความชั่วที่เกิดขึ้นในใจความรลบความโกรธความหลงก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเลยที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตของเราเนี่ยนะสังขารความปรุงทั้งหลายนะจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรทั้งหร่นี่นะมีแ bon ต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเลย เนี่ยพอเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความชั่วก็ชั่วคราวพอเห็นซ้ำมากมากนะใจก็ยอมรับความจริงความสุขเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่นานมันก็หายไปเราะงั้นไม่ดิ้นรนนะใจเราจะไม่เข้าไปเสพความสุขอันนั้นนะความสุขมีอยู่แต่ว่าใจไม่ดิ้นรนหร อ, อกว่าจะต้องอยู่นิรันดรเพราะรู้ว่ามันไม่นิรันดรหรอก ความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ดิ้นรนหนีไม่ดิ้นรนปฏิเสธเพราะรู้ว่ามันของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปใจก็จะเป็นกลางนะเวลาโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ไปเกลียดมันแล้วก็ไม่ได้ถูกมันครอบงำคนทั้งหลายเนี่ยพอความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วจิตใจก็ถูกกิเลสเหล่านี้ครอบงำถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะมันจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตา หายในขณะนั้นเลยนะไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเดียวเลยนะทันทีที่สติเกิดอกุศลดับทันทีเลยนะนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเป็นกฎธรรมดานะที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสที่ใดมีกิเลสที่นั้นไม่มีสติหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันว่าความโกรธกำลังเกิดนะไม่ต้องทําอะไรหรอกความโกรธจะกระเด็นหายไปต่อหน้า ต, ต่อตา ความรอบความหลงจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาความทุกข์ทางใจก็จะกระเด็นไปต่อหน้าต่อตาเพราะอะไรความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับความโกรธเสมอนะเกิดร่วมกับโทสะเสมอแต่ความสุขทางใจเนี่ยนะบางทีก็เป็นกุศลบางทีเป็นอกุศลนะอย่างเวลาจิตมีราคะบางทีก็มีความสุข งั้นถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะแล้วพอมีสติรู้ทันราคาราคาดับปุ๊ความสุขตัวนี้จะดับไปด้วยแต่ถ so so kind of ้าอย่างเป็นความสุขในทางบวกเป็นความสุขจากการทําความดีเป็นความสุขจากกุศลพามีสติรู้ทันไม่ดับนะไม่จําเป็นต้องดับทันทีหรอกนะแต่มันก็เกิดดับร่วมกับจิตก้าดับปุ๊บก็เกิดขึ้นมาอีกดับปุ๊บก็เกิดขึ้นมาอีกนะมีความสุขเหมือนมีความสุขที่ยาวขึ้นมาไม่ได้ดับทันทีเหมือน ความสุขความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสความทุกข์นี่เจือด้วยกิเลสตลอดนะความทุกข์ทางใจแต่ความสุขเนี่ยเป็นกิเลสก็มีเจอกิเลสก็มีไม่เจอกิเลสก็มีอย่างใจของเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราสวดมนต์เรามีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขพวกนี้เรามีสติรู้เนี่ยไม่หายนะแต่ถ้าเป็นความสุขเพราะราคะพอมีสติรู้ทันราคะพวกราคะดับทวกความสุขตัวนี้ก็หายไปด้วยนะ แล้วความสุขความทุกข์ทางกายเรามีสติรู้มันจะดับไหมมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันความสุขความทุกข์ทางกายก็เป็นเรื่องของพิบากนะเป็นเรื่องของวิบากไม่ใช่กิเลสนี่ยนะไม่ใช่กิเลสแล้วไม่ได้เกิดร่วมกับกิเลส ด, ด้วยแต่มันเป็นผลเป็ น, ป น, ปนมีตัวพิบากเพราะฉะนั้นอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยมีสติจะหายป่วยไหมไม่หายหคนละเรื่องกันใช่ไหม ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่มีสติแล้วจะอ่อนแอปวกเปียกไปเลยไม้มไม่เป็นเห็นไหมนั้นทางกายนี่ไม่เกี่ยวนะแต่ทางใจเนี่ยถ้าความสุขเจอด้วยราคะทามีสติปุ๊บจะหายไปเลยถ้าความทุกข์อันนี้เจอด้วยโทสะแน่นอนทันทีที่รู้ทันนะมันจะดับสนิททันทีเลยนั้นใจเราเนี่ยถ้าเรามีสติเรื่อยๆนะจะไม่มีความทุกข์ทางใจ ในขณะที่เรามีสติอยู่จะมีความทุกข์ทางใจไม่ได้เพราะไม่มีโทสะแต่ว่ามันไม่มีความทุกข์เพราะอาศัยสติเมื่อไรขาดสติความทุกข์ก็กลับมาอีกงั้นเราต้องพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราไปไม่ใช่มีแค่สติสติแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้แก้รากฐานของปัญหาสติคล้ายๆพาราเซตมอนพอกิเลสเกิดสติรู้ทันกิเลสถ้หายเดี๋ยวกิเลสก็มาอีกแล้ว ดังต้องพัฒนาจนถึงขั้นที่ฆ่ามันด้วยโล ก, กุตตะาปัญญาฆ่ามันด้วยมรรคมันถึงจะตายสนิทไม่ไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกละหากเจริญสติเจริญปัญญาเรื่อยไปนะดูในกายมีแต่ความทุกข์ดูที่ใจมีแต่อของไม่เที่ยงแล้วก็มีความบังคับไม่ได้ในใจเราเนี่ยแสดงการบังคับไม่ได้อยู่ได้เด่นชัดมากเลยสั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขนะห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์ สั่งให้ดีมันก็ชั่วห้ามชั่วมันก็ชั่วนะสุดท้ายมันก็ชั่วอยู่นั่นเองสั่งให้ดีมันก็ชั่วนะห้ามชั่วมันก็ชั่วอีกเออส่วนใหญ่ก็เลยชั่วเยอะรู้สึกรู้สึกไหมวันวันหนึ่งอกุศลมากกว่ากุศลนึกออกไหมเนี่ยถ้าเฝ้ารู้ลงไปนั่นก็จะเห็นร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ชัดเจนนะจิตใจเนี่ยเป็นอนิจจังกับอนัตตาเนี่ยชัดเจนสั่งไม่ได้ แล้วก็เปลี่ยนรวดเร็วมากเลยร่างกายดูเป็นอ น, นิจจังยากนิดหนึ่งนะถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนะีดูยากมากเลยเพราะร่างกายรูปมันอายุยืนแต่นามมาทำนั้นอายุสั้นความรู้สึกเราเนี่ยเปลี่ยนเร็วใช่ไหมหน้าเราเปลี่ยนช้า ก, กว่าความรู้สึกนึกออกไหมแล้วหน้าเราเปลี่ยนตามความรู้สึกบ้างไหมเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าภาวนาพรจิตตืนะ่นน่ะหน้าสว่างเลยใครรู้สึกตัวบ้างว่าหน้าตาผ่องใส <S <S <S สว่าง หรือหน้าเหมือนลิงเหยียบอยู่งั้นรูปบางทีก็เปลี่ยนไปเพราะเพราะจิตสั่งจิตมันเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนนะรูปบางอย่างก็เปลี่ยนรูปบางอย่างเปลี่ยนไปเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยอุตุสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนก็มีนะเปลี่ยนไปเพราะกรรมก็มีกรรมตัดรอนแข็งแรงอยู่ดีเป็นมะเร็งป่วยไปละนี่ก็มีนะรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่าง เปลี่ยนแปลงพ่ออาหารก็ไดนะ้กินอาหารไปเรื่อยๆใช่ไหมรูปก็เปลี่ยนอดอาหารไปเรื่อยๆรูปก็เปลี่ยนอีกเนะงังนรูปนะเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างจิตของเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยคอยรู้สึกไปในสุดจะเห็นนะพอเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆมีจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวบ่อยๆสุดท้ายก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่น่ารักหรอกเเป็นทุกข์ จิตใจนี้นะควบคุมไม่ได้แล้วก็มีแต่ของไม่เที่ยงความเจหลงยินดีในความสุขความเกลียดชังในความทุกข์ความหลงยินดีในกุศลความเกลียดชังในอกุศลก็หายไปจิตเข้าสู่ความเป็นกลางเหมือนที่ดูรูปนะสุดท้ายก็เข้าสู่ความเป็นกลางดูจิตใจสุดท้ายก็เข้าสู่ความเป็นกลางเหมือนกันก็หนีไม่ได้เนี่ยพอใจเข้าถึงความเป็นกลางใจจะหมดความดิ้นรน เมื่อใจหมดความดิ้นรนนะจิตจะรวมลงเข้าอัปปนาสมาธิด้วยตัวของมันเองชาตินี้เราไม่เคยเข้าสมาธิลึกขนาดอัปปนาสมาธิเลยก็ไม่เป็นไรเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยไปถึงวันที่เขาพอนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิของเขาเองเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะพอวันไหนเวลาไหนเพะะนื่อเราต้องมีสติบ่อย บางคนนะสะสมบุญบารมีน ะ, จะเจริญสติจเจริญปัญญามาเกือบจะเกิดอริยามรรคแล้วอีกนิดเดียวก็จะเกิดอริยามรรคละเกิดขี้เกียจนะไปทําธุระอื่นก่อนนะเลิกปฏิบัติไปก่อนไม่ไม่ดูกายไม่ดูใจลืมสติไปเลยนะเสื่อมอีกต้องมาทําใหม่อย่างพวกเราหลายคนภาวนารู้สึกไหมจเจริญเจริญไปเดี๋ยวขี้เกียจขี้คลั่นหน่อยเดียวก็หายไปอีกแล้วดังั้นขี้เกียจไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าบารมีเราจะเต็มวันไหน เราพยายามทําทุกวันทุกวันนะถึงวันที่มันเต็มจะได้ไม่พลาดโอกาสไม่งนะั้นเดี๋ยวพลาดโอกาสเวลาที่มันเต็มนีจิตจะรวมเข้ อ, อปัญหาสมาธิร่วมของมันเองนะพอรวมแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวะธรรมภายในนะเกิดดับสภาวะอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่มีการสําคัญมั่นหมายว่ามันคืออะไรไม่มีคําพูดหรอก เห็นแต่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปพวกที่ปัญญาแก่กล้าจะเห็นเพียงสองครั้งเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นสองครั้งเท่านั้นพวกปัญญากล้าถ้าปัญญาไม่กล้าต้องเห็นสมครั้งถึงจะพอเสร็จแล้วจิตมันจะปล่อยวางนะมันจะวางการที่รู้สภาวะที่เกิดดับเนี่ยมันจะวางสภาวะนั้น ทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตรงที่มันวางสภาวะเนี่ยมันพ้นจากความเป็นปุถุชนแต่มันยังทวนกระแสเข้ามาไม่ถึงตัวธาตุธรรมธาตุแท้ๆเนี่ยไม่ใช่พระอธิยักับลูกคาบดอกอยู่สภาวะคาบลูกคาบดอกเนี่ยเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวเกิดขึ้นช่วงขณนะเท่านั้นเองเสร็จแล้วพอมันเข้ามาถึงจิตถึงใจแท้ๆนะสติระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึก สมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นปัญญาเห็นความจริงเห็นอริยสัจของจิตว่าจิตนี้แหละเป็นตัวทุกข์จิตนี้เป็นตัวไม่เที่ยงเป็นตัวไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเงี้ยเห็นครั้งแรกเนี่ยปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะฉะนั้นในธรรมะขั้นแรกเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีตัวเราตัวเราจะหายไป พอมันเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วนะอาสวะกิเลสเนี่ยที่ห่อพุ่มจิตอยู่เนี่ยจิตของเราถูกอาสวะห่อพุ่มอยู่นะอาสวะย้อมอยู่นะแทกย้อมอยู่ตรงที่ขณะแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยอริยมรรคจะแหวกอาสวะนี่ออกขาดออกจากกันทำลายอาสวะนี่ออกนะแล้วจิตจะเข้าสัมผัสพันิพนาลสองสามขณะ พวกที่มีบารมีแก่กล้าจะสัมผัสพระนิพพาน3ขณะพวกที่ไม่แก่กล้าสัมผัสสองขณะนะไม่เหมือนกันบุญบารมียังไม่เท่ากันโสดายังไม่เท่ากันเลยนะโสดาบางคนเกิดอีกชาติเดียวก็จะจบละบางคนอีก3ชาติจะจบนะไม่เกิดอีกอีกบางคน7ชาติจะยังไม่เกิดนะกําลังมันไม่เท่ากันแต่ว่าล้างความเห็นผิดได้เท่ากันว่าตัวตนไม่มี พอถอยออกจากสภาวะนี้นะจิตจะกลับเข้ามาอยู่อย่างความเป็นมนุษย์ปกติอย่างนี้แหละแล้วมันจะทวนเข้าไปดูนะจิตมันจะทวนอัตโนมัติเลยเข้าไปดูมันจะพบว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนอีกต่อไปแล้วนะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอีกแล้วที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีตัวมีตนอีกต่อไปแล้วนะจะกลวงๆนะว่างจากความเป็นตัวตวนไปหมดอย่างคําว่าจิตว่างจิตว่างไม่ใช่ว่างเปล่า ว่างเปล่านั้นมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฐินะไม่ใช่ทางคําว่าว่างๆเนี่ยคือว่างจากความเป็นตัวเป็นตนสภาวะนั้นมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขางนั้นจะมีความรู้สึกว่ามันกลวงๆนะมันว่างๆไม่มีตัวมีตนแต่มีการกระทำยังมีการส่งกระแสจากความไม่มีตัวมีตนนี่แหละจิตที่ไม่ใช่ตัวเรานี่แหละ ยังส่งกระแสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพิยุทธอารมณ์ได้อีกเรียกว่ามีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทำํำจะรู้ชัดเลยว่าการกระทํามีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทํำนี่จะเห็นอย่างนี้นะจนวันที่เป็นพระอราหันต์ผู้กระทําก็ไม่มีการกระทําก็ไม่มีมีแต่กริยามีแต่กริยากระทําแต่ว่าไม่มีการกระทำํำไม่มีเจตนาที่จะกระทําอะไร นี่ธรรมมาเป็นของประณีตลึกซึ้งมากนะพวกเราต้องศึกษาต้องเรียนจะเอาแต่นั่งสมาธินิ่งๆว่างๆไม่ได้กินหรอกนะไปเห็นโน้นเห็นนี่นี้ออกนอกใหญ่แทนที่จะเห็นกายเห็นใจของตัวเองพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยนะให้ไปเห็นอย่างอื่นท่านสอนเจริญสติใช่ไหมมีสติรู้สึกในร่างกายเรียกายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติรู้ความรู้สึกสุขทุกข์เรียกเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีสติ รู้จิตใจที่เป็นกุศลอกุศลเรียจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้กระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมนะเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมทั้งสิ้นกายานุปัสสนาส่วนของกายเป็นส่วนของรูปธรรมเวทนานุปัสสนาเป็นนามธรรมแต่เวทนาบางทีก็เกิดที่กายเห็นไหมบางทีก็เกิดที่จิตเกิดร่วมกับรูปธรรมก็ได้เกิดร่วมกับนามธรรมก็ได้ นะจิตตานุนปัสฉนาที่ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลกุศลอกุศลเกิดที่จิตแต่กุศลอกุศลก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะรวมทั้งใจด้วยไปกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายก็กระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนของรูปธรรมนะแล้วก็สะเทือนเข้ามาถึงใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิ ด, ก, ก, ดกุศลอกุศลขึ้นแม้กายกับใจก็เนื่องกันนะงั้นเวลาที่เราพาวนาจริงๆนะมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจไม่มีหรอกสายกายสายจิตอะไรนะ เอกสายกายสายจิตเลยเป็ขั้นเบสิคขั้นตั้งต้นเท่านั้นเองถอาสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติแล้วมันเลือกไม่ได้หรอกว่ามันจะรู้อะไรบางครั้งสติก็ะระลึกรู้รูปรู้กายบางครั้งสติรู้เวทนาบางครั้งสติไปรู้กุศลอกุศลบางครั้งสติไปรู้กระบวนการทํางานเช่นการปรุงนิวรณ์ขึ้นมาการปรุงโพชฌงค์ขึ้นมานะเห็นขันห้าทํางานตามหน้านที่ของแต่ละขันขึ้นมาเห็นกระบวนการของปฏิจจะสมุ ป, ปบาท นะคือกระบวนการที่จิตซึ่งมีความไม่รู้มีอวิชชานีปรุงความทุกข์ขึ้นมาเนี่จะเห็นกระบวนการนะเป็นธรรมะอนุปัสสนาก็เป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะถ้าเราทิ้งการรู้กายรู้ใจเราไม่มีวันมารู้มรรคผลนิพพานถึงจะนั่งสมาธิเก่งแค่ไหนนะอย่างเก่งที่สุดไปปรุกมโลกเท่านั้นเองนะเราอย่าไปหลงนิมิตไปติดนิมิตนะเวลานั่งสมาธิไม่เห็นโน้นเห็นนี่สู้เห็นกิเลสไม่ได้เลย มีสติอยู่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะบอกว่าเรามีสติอยู่เพียงราตรีเดียวคืนเดียวอะนะชีวิตของเราก็น่าชมลนะดีกว่ามีอายุตั้งร้อยปีแล้วไม่เคยมีสตินะงั้นอย่างเราไปเห็นนิมิตนะุ่มเมื่อไรร้อยปีเนะี่ยหาสาระไม่ได้เลยไม่มีสติสติต้องรู้กายรู้ใจของเรานะนะงม้นถ้าเราจะเป็นชาวพุทธนะต้องรู้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะไม่งั้นมั่วซั่วแล้วไปเป็น แบบหรือสีชีฟลกันสักส่วนใหญ่นะอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับทุกทงน